ธรรมอนุสติธรรมคือกายถึงสั้น มาเอามาเป็นบทฝึกใจก่อนศึกษาเรียนรู้ก่อนเอามาเป็น ใจนั้นจะเจริญ เมื่อที่จะไปเรียนรู้มีกําลังแล้วก็สามารถที่จะ ในใช่กายท่านรู้กายในคือพระ ให้คือมันนอกจากใจจึงเรียกว่าภายนอกพระธรรมภายนอกคือกายของ เมื่อเรามาระลึกกําหนดรู้เพ่งรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไอ้เค้าตั้งไว้ตรงไหนระลึกรู้อยู่ตรงไหนเค้าก็ระลึกรู้อยู่ตรง รู้แล้วทําไมจะต้องเรียนรู้รู้แล้วทํามันยังไม่แล้วอย่างนั้นแหละธรรมะ มันรู้เพียงแค่ระลึกรู้อาการ 32 มัน 32 อย่างอืมไม่ใช่อย มัน 32 นี่แหละมันเป็นฐานเครื่อง ได้โดยตลอดโดยตลอดผู้นั้นได้ชื่อ ไอ้มันมีผลเพียงให้ใจสงบระลึกรู้รู้เฉพาะนี้มัน เพียงแค่นี้ก็ส่งผลให้เราๆนั้นให้ได้รับ สว่างเพราะไม่นี่แต่เพราะรู้เท่านั้นแล้วเมื่อเราได้ การเราต้องหยุดหยุดรู้นั้นเราต้องหยุดหยุดทั้ง 32 จุดให้เราหยุดอยู่ 32 ฐานนั้น แต่มันมีอยู่ 32 จุด 32 ที่ที่เราจะต้องรับ ฐานที่อยู่ของจิตคือความเครื่องระลึกสงบอยู่นั่นแหละเราอยากเห็นความจริงของมันเราอยากรู้ความจริงของมันนี่เมื่อเราอยากเห็นอยาก เพ่งดูแต่เพ่งดูตัวนี้มันมีอยู่ เราดูดูโดยอาศัยดูรู้อยู่โดยอาศัยสัญญาเป็นเครื่องรู้เหมือน ยังไม่ปรากฏเป็นความภายนอกจากนั้นมี จะแต่ความจริงนั้นคํามันเพียงแค่สัญญาของปัญญาปัญญาที่เป็นสัญญาอยู่เจิงปัญญาเช่นพระพุทธเจ้า สอนให้ละลึกนึกค้นความปฏิกูลความโสโครกความไม่งามมีอยู่ สารคือกายเครื่องรองน้ําจุดนั้นดินดินคือเกสาเป็นต้นนี่ ให้เอาความปฏิกูลโสโครกค้นหาความปฏิกูลโสโครกความปฏิกูลโสโครกคนหาความปฏิกูล โชคนี่เพียงแต่มันมีอาการเยอะฐานได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ มีทางอย่างมากมายเมื่อเรารู้ สัญญาเป็นจนชัดเจนขึ้นมานําชี้ใจเป็นผู้เพ่งโสโครกถ้าเห็น ความคลายความกำหนัดยินดี เพราะเรามาเพ่งระลึกถึงกรรมฐานในเบื้อง เหมือนเต่ามันถดเข้ากระดองเราก็มองไม่ มันก็หดเข้าที่ก็หดเข้าที่เพราะมันหดเข้าที่เนี่ยนี่ เพราะฉะนั้นเราเห็นเป็นของปฏิกูลโสโครกมันก็จะขายความรักลงไปในรูปเพ เมื่อเราเปลี่ยนเพ่งไปนาน เมื่อความคลายมีจะขันจะนะเบื่อความคลายความคลาย เราคลายออกมามันเป็น 3 เส้นเค้า ไม่เช่นได้ธรรมดาเป็นเส้นปอเส้นเชือกธรรมดาเช่นด้ายธรรมดาเค้าปั่น แล้วก็คลายมันออกมาอีกคลายความเขม็งได้มันก็จะเป็นปุ๋ยนุ่นทําด้วยนุ่นเค้าก็ ความเหนียวคงทนของมันก็หมดไปไม่เหมือนกับความ เรารู้อย่างไรทําความเข้าใจอย่างไรในๆจึงจะได้ได้ชื่อว่าคลายที่หลัก อย่างนี้ตั้งหามันจึงจะคลายเมื่อเราสร้าง เมื่อมันคลายเราก็เบาทุกอย่างมันก็สะดวกนั่งนอนยืนเดินทําอะไรมันก็ไม่อืดอัดมัน นาที 1 ก็ยิ่งวิเศษหลายๆนาทีก็ยิ่งวิเศษมีโสงมันไม่ปี 3 ปีเห็นที 1 มันก็ยังพอมีกินก็ยังพอมีกินมีอยู่ ซึ่งมันเป็นสัญญานี่แหละมันเป็นสัญญานี่แหละเรียกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงเอาน้อมอุบายนี้เข้า เอาอนิจจังมาเป็นตาดูเอาทุกขังมาเป็นตา ทั้ง 32 จุดนั่นแหละจะไปยืนอยู่ เรานับตาเข้ามาดูหรือถ้าเราจะปล่อยให้มีนี่ให้ ให้จังใจของเราสงบอยู่เถิงอยู่กับเป็นถ้าเอาใจ ต้องมันจริงจะเรียกว่าถึงใจผมเข้ามาไว้ในใจ มันต่างกันใจอยู่กับผมบนหัวมันก็สงบอยู่โดยที่เราตั้งจิตไว้กับลมก็ดี ในท่ามกลางนี่มันจะต่างกันนะจะต่างกัน เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายผู้ฝึก ให้เราน้อมเพ่งรู้อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ กำลังที่จะน้อมผมไปสู่อนิจจัง สัญญาก็ดับไปมันกลายมาเปลี่ยนสัญญาดับไปมันกลายมาเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นสัญญาตัวนี้เนี่ยมันจะหลุดละ เข่นเผาเข่นเผาอ่อนมันก็กลายเป็นกล้าเป็นเหล็กกล้ามันก็สามารถที่จะดึงดูดเหล็กทั้งหลายอื่น ตามที่เราต้องการนําไปใช้สําเร็จประโยชน์ที่เราพึงต้องการและ เพราะการเผากันทุกข์และในที่สุดก็ชุบ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นธรรมสัญญาทั้งสิ้น สิ้นเว้นจัดธรรมนําความไม่สงบไม่บริสุทธิ์แห่งกายวาจาออกได้โดยสิ้น เป็นตรงไหนล่ะเป็นที่ดวงจิตดวง แล้วเกิดวันนี้ก็ไม่ มันก็คงดีและบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแหละก็คงดีและบริสุทธิ์ มันยอมแพ้ต่อกาลไม่ได้สอนตรงนี้เวลา ความหลุดพ้นไม่อยู่ที่ วาจานั้นจะสําเร็จเป็นผลประโยชน์ได้ชื่อว่ากายละแล้วซึ่ง สำเร็จใครเป็นผู้สร้างขึ้นใครเป็นผู้ละใครเป็นผู้แสดงบทบาทใครเป็นผู้สร้างขึ้น ไอ้สิเป็นผู้กำกับให้แสดงหรือเป็นผู้บอกๆถ้าว่า ยังพระพุทธเจ้าได้สอนสาวกผู้ที่มีมนะทิฐิอืม เมื่อพระสงฆ์ราหุลไม่เห็นเข้าถามสอบความก็ นั้นมันก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดี ยากก็บอกดูก่อนภิกษุจะทําได้ก็บอกดูก่อนอ่ะภิกษุ ในชาติปัจจุบันที่พระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกพุทธเจ้าชาติก่อนเป็น เห็นว่าลบบวชในศาสนามันก็ยังไม่หมดมานะ ส่วนกายมันก็กายส่วนดินส่วนน้ําส่วนลมดินน้ําลมดิน 20 ธาตุน้ํา 12 รวมเลี่ยกว่า 32 มันก็ไม่ใช่ตัว มันไม่มีหน้าที่จะมาถือ แม้ความไม่นิจจังทุกขังอนัตตามันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องมันตัวเราอยู่เนี่ยส่วน ใจจริงๆเนี่ยถ้าใครคนพบๆเห็นแล้วก็จะรู้ เพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบให้ดูเผื่อจะเป็น 2 ท่อน 3 ท่อน 5 ท่อนก็อะไร ไฟฉายรูปร่างของมันมันทุกๆอย่างประกอบมาเป็นไฟ ในถ่านถ่านในกล่องถ่านจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามถ่านของมัน แต่ในถ่านไฟฉายน่ะมันมีไฟ ต่อเมื่อเราไปกระทบสัมผัสกดสวิตช์ ถ้ามันไม่มีการกระทบสัมผัสแล้วรัศมีคือความ แต่มันจะปรากฏอาการขึ้นมาบอกว่าในก้อนธาตุ ไอ้หน้าปรารถนาต้องการก็สุขสบายเห็นเขามีก็อยาก มันก็เกิดทุ่งความรู้ในเรื่องความทุกข์ เพราะฉะนั้นเราเป็นสุขเป็นทุกข์กันอยู่ด้วยอาการๆเนี่ยก็ไม่ได้เดือด ไม่ได้ดวงจิตจริงจริงๆหรอกภาวนานั่นน่ะเรายังไม่เห็นกันหรอกทําไม นึกถึงพุทธธัมโมสังโฆลึกถึงกายอาการ 32 นั้นที่กล่าวมาแล้วหรือว่าลมความสุข กุศลแปลว่าความฉลาดเมื่อเรา